10. โจทกะจุทิตกะปฏิสังยุตตะกะถาว่าด้วยเรื่องของผู้โจท์และผู้ถูกโจท์ท่านพระบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจท์โดยไม่ชอบธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีพิกษุผู้โจ์โดยไม่ชอบธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งท่านโจ์โดยการไม่ควรไม่โจ์โดยการที่ควรจึงสมควรเดือดร้อน2 ท่านโจทย์ด้วยเรื่องไม่จริงไม่โจทย์ด้วยเรื่องจริงจึงสมควรเดือดร้อนสามท่านโจทย์ด้วยคําหยาบไม่โจทย์ด้วยคําสุภาพจึงสมควรเดือดร้อนสี่ท่านโจทย์ด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์จึงสมควรเดือดร้อนห้า ท่านมีจิตมุ่งร้ายโจดไม่มีเมตตาจิตจึงสมควรเดือดร้อนอุบาลีภิกษุผู้โจดโดยไม่ชอบธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างเหล่านี้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุแม้อื่นไม่พึงสำคัญบุคคลที่พึงโจดด้วยเรื่องไม่จริง